ลูกยอดีกว่ากอภัยเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆ วันหนึ่งข้าพเจ้าทอเหลี่ยงพิบูรณ์กําลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งนอกชาญพระนครเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายฝนได้ตกลงมาอย่างหนักโดยไม่ได้ตั้งเขามาก่อนผู้คนซึ่งกําลังเดินอยู่บนท้องถนนต่างก็วิ่งหาที่กําบังเพื่อหลบไม่ให้เปียกฝนข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้คนที่วิ่งเข้าไปอาศัยหลบฝนที่มุมตึก แถวร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้ๆทุกคนต่างมีความปรารถนาอย่างเดียวกันคือคิดว่าเมื่อไรฝนจะหายสักทีจะได้กลับบ้านคอยแล้วคอยอีกฝนก็ไม่เบาบางลงซ้ำตกหนักหนาเม็ดขึ้นมากกว่าเดิมอีกขณะนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังเป็นห่วงๆวงและมีเสียงไม่เรียวกระทบเนื้อหนังดังคู่กันไปด้วยข้าพเจ้าหันหลังไปดูในร้านที่ยืนอยู่ ก็มองเห็นชายอายุประมาณ30ปีกำลังหิ้วแขนเด็กชายลากถูลู่ถูกังปากดาว่าสั่งสอนด้วยอารมณ์โกรธจัดเมื่อไม่เรียวฟาดตรงกลางหลังเด็กเด็กก็ร้องดังขึ้นทุกครั้งเด็กคนนั้นคะนนอายุไม่เกินเจ็ดขวบพวกที่หลบฝนอยู่ต่างพากันมองดูและนึกตำหนิว่าทำโทษเด็กคนนั้นหนักเกินไป ต่างก็สงสารเด็กน้อยที่ถูกเคี่ยนตีอย่างทารุณเพราะผู้ใหญ่เป็นาธาตุของความโกรธแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติหรือผู้คุ้นเคยกับชายผู้นั้นมาก่อนทันใดนั้นข้าพเจ้าเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้าไปในร้านใช้มือแตะแขนชายผู้นั้นซึ่งก้มหน้าก้มตาใช้ไมเรียวหวดลงไปตามร่างของเด็ก มิได้เอาใจใส่ต่ออย่างอื่นมุ่งแต่จะคลายอารมณ์ด้วยการเคียนตีเท่านั้นเมื่อมีผู้มาแต่แขนก็เงยหน้าขึ้นมองพอเห็นเป็นพระภิกษุชายผู้นั้นก็เปลี่ยนเป็นคลายความโกรธและรู้สึกได้สติขึ้นบ้างวางไม่เรียวแล้วปล่อยแขนเด็กยกมือแสดงความเคารพแล้วนิมนต์ให้นั่งเก้าอี้ทันทีพระองค์นั้น ขอบินทบาทการเคี่ยนตีเด็กไว้ก่อนและถามว่าเด็กเป็นบุตรของโยมใช่ไหมใช่แล้วเป็นบุคของอ้วเองแต่มันเป็นเด็กซึกทซงหลือด่างมากเคี่ยนตีเท่าไหร่มังก็ไม่จำทำให้เกิดโทสะต้องเคี่ยนกังเสือเ่อมไปเด็กน้อยครั้นเห็นพระมาช่วยให้พ้นจากการถูกเคี่ยนตี ก็หยุดร้องไห้นั่งกับพื้นฟังพ่อกับพระพูดกันทั้งน้ําตาอย่างไม่แห้งห่าห้ามไม่ให้เหล็กมึงวิ่งเร่งน้ำฝงเวลาฝงมันตกห้ามาแล้วห้ามาอีกมึงก็ไม่ยอมฟังเสียงเผอหน่อยเดียวไปให้มึงออกไปวิ่งเร่งอีกแล้วลองเรียกเท่าไหล่มึงก็ไม่ยอมกลับกวงโทสะเลือกเกินว่าเราอยากจะตีให้เนื้อแตกดีกว่าจะให้มึงไปถูกลกชงเน่ยเนี่ยอืม่มพ้นเรา เมื่อเกิดมีความโกรธขึ้นมาพอลืมอะไรอะไรหมดทุกอย่างมุ่งแต่จะทำให้สมกับความโกรธไม่นึกถึงเหตุผลถูกหรือผิดความโกรธทำให้คนดีกลายเป็นคนบ้าไประยะหนึ่งทำให้เกิดเหตุร้ายแรงและทำให้เกิดขาตกรรมขึ้นบ่อย เพราะเหตุไม่มีสติเนียวร่างอารมณ์ไว้ว่าจะรู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรลงไปก็ส า, ายเกินไปที่จะแก้ไขควรจะยับยั้งความโกรธไว้ก่อนนะโยมลูกชายคงโยมอายุยังน้อยความนึกคิดก่อนน้อยไปตามอายุดย้วยจะพูดจาสังสอนให้แกรู้อย่างผู้ใหญ่นั้นไม่ได้ การสอนพรางตีพรางเพื่อให้เจ็บให้กลัวนั้นยิงไม่ได้พลนเด็กจะเจ็บตัวเปล่าๆจะสั่งอะไรแกก็รับปากทุกอย่างเพื่อให้หยุดเขียนไว้ก่อนเท่านั้นไม่คิดจดจำอะไรทั้งสิน้นการเขียนตีลูกก็เพื่อสั่งสอนเพราะรักไม่ใช่เขียนเพื่อดับความโกรธ จริงครับจริงครับทัพระทัางคืออย่างนี้นะครับโอ้เวลามังถูกเคี่ยงตีทีไรนะมังกอลราบปากขอไปทีเรื่องมังกอลืมว่าบอกปัญญาจะสั่งสองมังเล่วเจ็บใจเรื่องลูกมังก็ไม่อยู่ในโอวากมึงลูกคงอื่นเขาเลยคงอื่นเขาไรลีอ้วนะต้องเจ็บใจตีมังด้วยความโกกทุกทีอย่าเพ่งท้อใจ ลรูกของโยมดูท่าทางไม่น่าจะดืนเลยถ่าทางเขาก็จะฉลาดดีนี่ฮะจากนั้นพระก็หันไปจูงมือเด็กน้อยซึ่งนั่งฟังการสนทนาอยู่ให้ลุกขึ้นท่านแสดงกิริยายิ้มแย้มไม่เกลี้ยกา่อมทำให้เด็กหายหายวาดกลัวเด็กจริงตรงเข้าไปหาพระเพื่อขอความคุ้มครอง เมื่อเห็นเด็กคุ้นกับท่านโดยไม่มีความหวาดกลัวเหลืออยู่พระจึงเริ่มถามเด็กว่าเออมาน i l มา nil ลูกตีห้าไม่ให้วิ่งเล่นน้ำฝนที่ถนนแต่หนูไม่เชื่อจึงถูกเขียนใช่ไหมใช่ก็มันสนุกเียอะไอ้ตีลูกเจ๊กอ้วงอ่ะก็เล่นเตียมันไม่เห็นตีเลยไอ้เปียหลังบ้านก็เล่นไม่เห็นแม่มันเคียงมีพ่อเคียงหนูอู่คนเดียว นู้เคยเห็นคนถูกรถชนไหมเคยเห็น hey, เขาวิ่งข้ามถนนตรงน้องอะ่ะรถยนต์แลงมากับพอดีชงลงไปนอนกลางถนนแล้วคนขับก็หยุดรถลงมาดูคนนั่นนองอยู่กลางถนนเลือกออกตามหน้าตามตัวร้องโอ้ยโอยแล้วตำรวจกับคนขับก็อุ้มขึ้นรถคันนั้นไปโรงพยาบาลนู้กลัวไหมรถยนต์ชนน่ะกลัวมากไหมนุ้ยกลัว กลัวมากเวยหนูรู้ไหมเตียน่เขารักหนูมากกลัวว่าหนูวิ่งเล่นน้าฝนแล้วรถมาชนหนูเหมือนคนนั้นเตียก็ไม่รู้อามมาก็ไม่รู้เขากุ้มหนูไปโรงพยาบาลหนูไม่ได้พบนาอามมาร้องไห้หาอา ม, มาอาเตียต้องไปนอนคนเดียวหนูไม่คิดถึงอา ม, มาอาเตียมากเลยหรือ หนูไม่ไปอ่ะหนูจะอยู่กับอ่妈เตี่ยที่บ้านพระท่านพูดต่อไปอย่างช้าๆเพื่อให้เด็กเข้าใจดีขึ้นว่าหนูไม่ต้องตกใจเตีนะ่ยน่ะเขารักหนูมากไม่อยากให้หนูถูกกดชนเตี่ยจึงห้ามไม่ให้วิ่งเล่นน้ำฝนตามถนนกลัวหนูจะถูกอุ้มไปนอนโรงพยาบาลคนเดียวไม่เห็นหน้าเตี่ยไม่เห็นหน้าแม่หนูไม่เชื่อ เตี๋ยเขาจึงเขียนหนูนะสิหนูไม่วิ่งแรงน้ําฝน อ, อีกแล้วหนูกลัวจากนั้นเด็กน้อยก็เหลียวไปทางเตียโผเข้าไปหาแล้วกอดคอเตียไว้แน่นตั้งแต่วันนั้นมาผู้เป็นพ่อก็ไม่เคยเขียนตีลูกของเขาอีกเลยเพราะเขาได้สติจากคําสอนของพระองค์นั้นว่าคนเราส่วนมากเขียนตีลูกเพื่อดับโทสะ ไม่ใช่เคี่ยนตีเพื่อสั่งสอนเมื่อจะสอนลูกก็ใช้คำพูดง่ายๆซ้ำๆสำหรับเด็กอายุ 7-8 ถึงขวบพอจะเข้าใจได้ส่วนลูกของเขาก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่เหมือนก่อนผิดกันเป็นคนละคนสนน้อยลงรู้อะไรอะไรมากขึ้นจากเรื่องกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลเล่มหนึ่งหน้า356ถึง3 6ม ธรรมดาพ่อแม่ย่อมรักลูกถ้าลูกถูกคมเหงรังแกพ่อแม่ย่อมทนไม่ได้ต้องหาทางช่วยจนสุดความสามารถแต่เมื่อถูกความโกรธครอบงำพ่อกลับใช้มือที่เคยปกป้องลูกมาเคี่ยนตีลูกเสียเองการเคียนตีลูกเพื่อดับความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำมีแต่พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่งโง่เขลาและโหดร้าย จึงทําเช่นนั้นได้พ่อแม่ที่ฉลาดและมีความเมตา้าย่อมไม่อาจทำกับลูกของตนเช่นนั้นได้เลยเพราะทำให้ลูกเก็บตัวเปล่านอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบกระเทือนถึงจิตใจของลูกทำให้ลูกมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพ่อแม่กลายเป็นเด็กดื้อด้านว่ายากสอนยากเมื่อถูกความโกรธครอบงาบุคคลย่อมมีแต่ความมืดมน จึงไม่อยู่ในสภาวะที่จะสั่งสอนผู้อื่นได้เมื่อพ่อสั่งสอนลูกในขณะที่ตนกาลังโกรธจึงสอนไม่ได้ผลอุปมาเหมือนคนที่หลงทางมาแล้วหนึ่งเดือนนำทางให้คนที่หลงทางมาแล้วเจ็ดวันจึงพากันหลงเข้ารกเข้าพงถ้าไม่มีพระมาช่วยชีย้ทางที่ถูกต้องให้ก็คงหลงไปอีกนาน ผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร